Okay. เราสวดมงคลนันนะมงคลนั้นก็เชื่อว่าเป็นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์แสดงมงคลนั้นนะมงค์มงคลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติในการใช้ชีวิตทั้งผู้ที่อยู่ในเพศคารวาทั้งอยู่ผู้ที่อยู่ในเพศบรณชิตว่าการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นไปตามหลักของมงคลมงคลนั้นแปลว่าเหตุแห่งความเจริญ เพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นจะประสบแต่ความสุขและความเจริญถ้าหากว่าปฏิบัติแล้วความสุขยิ่งขึ้นมีความเจริญมากขึ้นโดยเฉพาะจิตใจนี่วอนทั้งหลายไม่กลุ่มรุมบาปอากุศลทั้งหลายไม่รุมเรา้าก็แสดงว่าเป็นเบื้องต้นของการเจริญคุณธรรมชั้นสูงต่อๆไปเพราะว่าไม่มีกุศลธรรมเหล่าใดที่เกลือกกลัวด้วยความเศร้าหมอง นีย้อนกลับมาว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในมองคลมองคล น, นั้นถ้าเป็นเบื้องต้นๆเนี่ยนะโดยทั่วๆไปก็คือกลุ่มบารมีทั้งหลายนั่นเองอการบำเพ็ญหรือการปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเราจะสังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นจริงๆแล้วพระองค์ครบผนผ่านัหมะนะพระพุทธเจ้าเองไม่ครบผลผ่าน พันพระองค์จึงจึงเชื่อว่าเป็นผู้มีมงคลพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่คบบัณฑิตอยู่ใกล้บัณฑิตผู้ที่เป็นบัณฑิตเท่านั้นจึงจะอยู่ใกล้กับพระองค์นะพระองค์ก็เป็นผู้มีมงคลถามว่าพระพุทธเจ้าบูชาผู้ที่ควรบูชาไหมบูชาคำว่าบูชาไม่ได้เป็นต้องหมายถึงว่าไปกราบไหว้แต่หมายถึงการยกย่องการสรรเสริญการชื่นชมชื่นชมผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลาย พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะบูชาพระสาวกทั้งหลายโดยการยกย่องสรรเสริญให้ปรากฏแก่บริษัทเนี่ยนะโดยที่สุดพระองค์ก็บูชาพระพุทธเจ้าที่ล่วงแล้วในอดีตพระองค์ก็บูชาพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ต่อไปในอนาคตที่จะมีในอนาคตคําว่าพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าที่เคยมีในอดีตนั้นก็หมายถึงว่า พระองค์ทําอะไรนั้นจะต้องเป็นไปตามพุทธประเพณีประเพณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ในอดีตทั้ทงหลายว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านั้นในอดีตนั้นพระองค์มีข้อปฏิบัติประเพณีของพระองค์เหล่านั้นเป็นอย่างไรเช่นว่าเสด็จไปสู่เมืองพุทธบิดาครั้งแรกจะต้องบินทบาตเนี่ยจะต้องเสด็จบินทบาทแล้วก็แสดงย ม, มะกะปาฏิหารหรือแม้กระทั่ง การแสดงพุทธวงศ์ในสมมาขมพระญาติทั้งหลายอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ซึ่งพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นเวลาจะทําอะไรเนี่ยสิ่งที่พระองค์ไม่ลืมอันหนึ่งก็คือคํานึงถึงว่าพระพุทธเจ้าในอดีต ป, ปฏิบัติเช่นใดเนี่ยเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่เคารพต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดั น, นั้นพระองค์ชื่อว่าเป็นผู้ที่บูชาผู้ที่ควรบูชาและเป็นผู้แนะนําให้บุคคลทั้งหลายได้ บูชาให้รู้จักบูชาเพราะว่าผู้ที่บูชาผู้ที่ควรบูชาทั้งโดยวัตถุหรือโดยการปฏิบัตินั่นจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุก์นั่นเองเนี่ยนะเพื่อความสุขเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญหรือเพราะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเจริญเพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นล้วนแต่เกิดในมัชิมะประเทศเกิดในมัชชิมะประเทศ พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งปวงล้วนแต่เป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วในการก่อนเพราะพระองค์บำเพ็ญบุญอะไรบ้างบุญยักกิริยาวัตถุสิบบารมีสิบเป็นต้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ล้วนแต่เป็นผู้ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิว่าบัดนี้เราข้ามแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ข้ามเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยให้ สัตว์โลกข้ามได้ด้วยพระองค์คิดอย่างในเช้าบ่ายเช้าบ่ายเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตั้งอัตตสัมมาปณิทิทุกวันนั่นแหละตั้งไว้เสมอว่าพระองค์จะช่วยผู้อื่นด้วยตอนเช้ามืดรุ่งอรุณพระองค์ก็พิจารณาตรวจดูสัตว์เพื่อจะช่วยเขาอันนั้นเป็นความตั้งใจของพระองค์บายๆอีกพระองค์ก็ตรวจดูอัธยาศัยเพื่อจะช่วยเวนัยสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ที่อยู่ในอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้โดยชอบ ตั้งตนไว้โดยเพื่อโดยความที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเลยไม่เบียดเบียนผู้ใดในในที่ไหนไหนเลยนะจึงชื่อว่าเป็นผู้ตั้งตนไว้โดยชอบธรรมพระพุทธเจ้านั้นเป็นสุดยอดของผู้ที่เป็นปหูสูตรคาว่าหูสูตรนั้นไม่ได้เน้นได้ยินแว่วแ ว, วผ่านหูแต่หมายถึงการไข่ครวนนะทั้ง ปัจัยคือการได้ยินมาแล้วก็เกิดการคร้ครวญเรียกว่าพหูสูตรโดยปริยัตและโดยปฏิเวทพระพุทธเจ้าเป็นพหูสูตรประเภทปฏิเวทเป็นพหูสูตรประเภทการพิจารณาการคร่ครวญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งเราใดที่พระองค์ไม่พิจารณาไม่มีพระองค์จึงชื่อว่าเป็นพหูสูตรแท้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศิลปะเนี่ยนะเป็นผู้มีศิลปะ มีพระพุทธลีลามีอะไรหลยละอย่างในตัวของพระองค์เนี่ยนะพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีทั้งสังวรวินัยมีทั้งปหานวินัยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งสังวรวินัยปหานวินัยอย่างแท้จริงอย่างที่พระองค์ตรัสว่าพรหมจรรย์ของพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อสังวรเป็นไปเพื่อปหาณเป็นไปเพื่อสังวรวินัยเป็นไปเพื่อปหานวินัยนั่นเองพระองค์จึงเป็นผู้มีสังวรและมี ปหานาวินันและสิ่งเหล่านี้พระองค์ศึกษาศิกขาคือการนึกถึงการคิดถึงการค่ครวญการพิจารณาการอธิษฐานจิตในสังวรวินันในปหานาวินเนี่ยนะคือพระองค์นั้นอยู่ในวินันโดยการปฏิบัตินั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ภบูบุ์และบริบูรณ พุทธพจน์ทั้งหมดที่พระองค์ตรัสล้วนแต่เป็นสุภาษิตาจยาวาจาทั้งหมดเลยนะพระองค์ตรัสพุทธพจน์ท sal ุกพุทธพจน์นั้นเป็นวาจาสุภาษิตนะนะเพราะว่าผู้ที่ฟังวาจาสุภาษิตของพระพุทธเจ้าย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทุกข์ทั้งในปัจจุบันสำปรับยาภพรวมถึงวัตตะนะนะหรือว่าผู้ที่ฟังพระพุทธพจน์นั้นทําให้พ้นจากวัตตะทุกข์เพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มี วาจาสุภาษิตเรายกย่องสรนเสริญบูชาเป็นพิเศษว่าพุทธภาษิตนะคําพูดของผู้รู้คําพูดของผู้ตรัสรู้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่บํารุงมารดาและบิดาถ้าจะกล่าวพระพุทองค์โดยมงคลเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่บํารุงพระพุทธบิดาตอนแรกพระองค์พระพุทธบำรงพระพุทธบิดา ให้พระพุทธบิดาได้เสวยผลโซดาปฏิผลให้เสวยสกะทาคามีผลให้เสวยอนาคามีผลและให้เสวยอรหัตผลพรรษาที่เจพระองค์ก็บำรงมารดาเนี่ยนะด้วยการแสดงพระอภิธรรมให้พระพุทธมารดาฟังแล้วก็ประกาศอริยสัจให้พระพุทธมารดาได้ตรัสรู้พระองค์เป็นผู้ที่บำรงมารดาและบิดาเนี่ยนะ ส่วนโดยวัตถุนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าบิดามารดาของพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เป็นพระราชามหากษัตริย์ท่านหนึ่งเป็นมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งก็เป็นเทวดานะส่วนการสงเคราะห์บุตรหรือการสงเคราะห์ภริยาเนี่ยนะพระองค์ก็ทําอย่างสมบูรณ์พระราหุลไปขอโภกท้ัพย์พระองค์ก็บอกว่าโภกท้ัพย์เหล่านั้นเป็นไปในวัตต์ไม่สามารถทํา ไม่สามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้โภคขาัพย์เหล่านั้นเป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาพระองค์ไม่มอบขุมทรัพย์ทั้งสี่ขุมที่ผุดขึ้นพร้อมกับการประสูตรของพระองค์ให้แก่พระราหุลพระองค์ให้อริยทรัพย์แก่พระราหุลให้พระสารีบุตรบวชให้ชั้นต้นด้วยการให้สารณะให้เศียรให้สมถะให้วิปัสสนาให้ความสารวมกายวาจาใจ ในที่สุดพระองค์ก็ให้โพธิปัจจะธรรมให้อริยมรรคประทานสามัญญผลพระราหุลจึงเป็นผู้มีวิชาสามปฏิสามพิทาสีอภินญาหกถึงความเป็นสาวกผู้ใหญ่นะเพราะว่าอันนั้นพระองค์ก็ประทานโลกุตระทรัพย์ให้สงเคราอบบุตรส่วนสงเคราอบภรรย า, านะพระองค์ก็แสดงธรรมให้พระนางยาโสธราเนี่ยนะบรรลุเป็นพระโสดาบันตอล้างนางก็ออกบวชตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นั้นพระองค์นั้น เกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ยังผู้นั้นให้พ้นภยัพนภยพ้นทุกโดยประการทั้งปวงส่วนพระองค์นั้นอะไรอนาวัตชานิกรรมมาเนี่ย อ, อนากราจกรรมมันตาพุทธกิจเหล่าใดที่พระองค์ควรบำเพ็ญพุทธกิจอพุทกิจเหล่านั้นพระองค์ ป, ปฏิบัติโดยไม่อากูลไม่ปฏิกูลไม่เสียหายะนะไม่มีผู้ใดขอหาติเตียนได้ว่าได้เลยว่า สิ่งนี้พระองค์ทําไม่ดี น, นะนะไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวว่าตรงเนี้พระองค์ทําไม่ดีทําผิดทําพลาดเว้นไว้แต่คนบอดอ น, นะคนบอดเอาเป็นประมาณไม่ได้ น, นะว่าการนินทาการสรรเสริญเนี่ยมีมาแต่โบราณแล้วถือเป็นเรื่องปกติเพราะในคําพูดของคนพานไม่เอาเป็นประมาณเพราะคนพานชอบก็ชมชังก็แช่ง น, นะไม่ชอบก็ต่อว่าอันนั้นคนพานเอาเป็นประมาณไม่ได้ แต่ถ้าบัณฑิตใคร่ครวญเช้าเย็นไข้ครวนทุกมข้ามเช้าแล้วติดเตียนผู้ใดหรือสรรเสริญผู้ใดตรงนั้นเอาเป็นประมาณได้เพราะเขาไข้ครวนดีแล้วเขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยหมายถึงอะไรเพื่ออะไรและทําไมเพราะว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อจะตำหนิก็กตําหนิเพื่อให้พ้นทุก์จะชื่นชมก็เพื่อสรรเสริญข้อปฏิบัติว่าปฏิบัติดีแล้วถ้าตําหนิเขามุง่งควมุ่งการแก้ไข เพราะอะไรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนั่นเป็นลักษณะของบัณฑิตส่วนคนพาลทั้งหลายเอาตามความสะใจเขาว่าซึ่งใจที่ประกอบด้วยราคะเขาว่าบ้างใจที่ประกอบด้วยโทสะเขาว่าบ้างเอาเป็นประมาณไม่ได้ก็ถือว่าเหมือนกับฟังเสียงนกเสียงกาอย่างที่โบราณเขาว่าอย่างนั้นซึ่งไม่ต่างอะไรกันเนี่ยนะปกติของผู้ที่ยังมีวจีกรรมทั้งหลายก็ว่าไปเรื่อยเอาเป็นประมาณไม่ได้ แต่ว่าพระองค์นั้นนะเป็นผู้ที่ทําพุทธกิจได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีเหลือพุทธกิจตั้งแต่เช้าสายบ่ายค่ำปฐ ม, มายามมชิ ม, มายามและปะชิ ม, มายามแปลว่า24ชั่วโมงพระองค์ทํากิจของพระองค์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์กิจเราใดที่ควรทําเพื่ออนุเคราะห์เวนยสัตย์ทั้งหลายพระองค์ก็ช่วยเขาให้ใ ห, ให้สมความปรารถนา เขาตั้งความปรารถนามาเพื่อความเป็นพระโสดาบันพระองค์ก็ช่วยให้เขาได้ตรัสรู้เป็นพระโสดาบันตลอดจนถึงผู้ใดตั้งความปรารถนาเป็นอักขระสาวกเช่นกับพระสารีบุตรพระองค์ก็ช่วยเหลือเขาได้อย่างครบถ้วนกิจกรรมเหล่าใดที่พระองค์ทำกิจกรรมเหล่านั้นไม่มีอากูนและปฏิกูนะไม่เสียหายที่บัณฑิตทั้งหลายจะพึงติเตียนได้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนแต่อนุโมทนาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นน พระพุทธเจ้าในอดีตก็บูชาพระพุทธเจ้าในอนาคตพระพุทธเจ้าในอนาคตก็บูชาพระพุทธเจ้าในอดีตซึ่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ล้วนแต่ไม่ตำหนิยกย่องสรรเสริญในพุทธกิจทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ปฏิบัติแล้วส่วนมงคลต่อไปอีกก็คือทานนันจะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ทั้งอมิตรทานหรือวัตถุทานพร้อมทั้ง ธรรมทานเพราะปัจจัยสี่เหล่าใดที่ควรสงเคราะห์ภิกษุสง์ปัจจัยสี่เหล่าใดที่สงเคราะห์ควรสงเคราะห์เวนยสัตว์พระองค์ก็อาศัยบุญของพระองค์นั้นเพื่อช่วยสงเคราะห์เวนยสัตว์เหล่านั้นส่วนธรรมทานเนีย่ยนะธรรมทานการให้ธรรมะให้ความรูนนะ้ให้สัมมาทิฏฐิให้สัมมาสังกัปปะให้สัมมาวาจาเป็นต้น ให้ประพฤติปฏิบัติในกุศลกรรมมบทให้ประพฤติในโพธิปัจจยธรรมสิ่งเหล่าใดควรแนะเพื่อความรอบรู้เพื่อการละเพื่อการเจริญเพื่อการทำให้แจ้งพระองค์ก็ให้สิ่งเหล่านั้นที่ควรให้โดยครบถ้วนสมบูรณ์มันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ให้ธรรมะโดยไม่มีส่วนเหลืออย่างที่พระองค์บอกว่าไม่มีอะไรในกรรมมืออาจารย์สิ่งเหล่าใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขพระองค์ให้สิ่งเหล่านั้น อย่างดังที่พระองค์ตั้งความปรารถนาให้ดุดโมกคว่ำถ้าเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์คงยื่นความเป็นพระพุทธเจ้าให้แหละ น, น, นละแค่ว่าเหมือนอย่างที่ว่าถ้าเขาสามารถรองรับสมบัติได้ทั้งแผ่นดินพระองค์ก็จะยกแผ่นดินให้แต่นี่เขาจะได้ตามความปรารถนาตามสมควรแก่ใจเจตนารม์ของเขาตามอัธยาศัยของเขาพระองค์ก็ให้ให้เขาเหล่านั้นได้สมความปรารถนา ส่วนบรรดาผู้ที่ประพฤติสุจริตธรรมเนี่ยนะประพฤติธรรมจริยาสมจริยาประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตประพฤติความสม่าเสมอทางกายความสม่าเสมอทางวาจาความสม่าเสมอทางใจไม่เกลื่อนกลนไปด้วยบาปและกุศลธรรมทั้งหลายการประพฤติคุณธรรมกุศลธรรมเหล่านั้นมีครบถ้วนสมบูรณ์ในพระองค์เนี่ยนะ ส่วนการสงเคราะห์ญาติทั้งหลายอันนี้กิจเหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนแต่ยาตทะเจริยาสงเคราะห์ญาติทั้งหลายสงเคราะห์ญาติเช่นเสด็จไปเมืองกบิลพัทนะหรือเมืองโกรยาเนี่ยนะสงเคราะห์ญาติทั้งสะักกยะวง์และโกริยะวง์สงเคราะห์ญาติเหล่านั้นให้ตรัสรูอ้อมตะธรรมไม่ใช่น้อยน้อยมากที่จะไม่บรรลุโดยมากก็ตรัสรู้ธรรมมันอันนั้นเป็นการสงเคราะห์ญาติของพระองค์ นานะสงเคราะห์ญาติให้มีได้มีโอกาสได้บวชหรือแม้แต่ญาติที่เคยเป็นเดียร์ีก็ไม่ต้องมาประพฤติวัดของผู้ที่เคยเป็นเดียร์ีมาก่อนเพราะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าก็มีสิทธิพิเศษเพราะพระองค์สงเคราะห์ญาตินานะของพระองค์ก็อย่างว่าญาติของผู้ใดถ้าผู้นั้นไม่สงเคราะห์และจะให้ใครสงเคราะห์พันญาติของพระองค์พระองค์ก็สงเคราะห์ญาติ น, นะขนาดสัตว์อื่นพระองค์ยังสงเคราะห์เลยจะกล่าวไปยายถึงญาติทั้งหลาย แล้วก็พระพุทธเจ้านั้นนะอนัวาชานี้พระองค์ไม่มีสิ่งใดที่เป็นโทษเลยการกระทำเหล่าใดที่มีโทษไม่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าเพราะการกระทำทุกอย่างของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เวไนยศัตร์ทั้งหลายทุกอย่างของพระองค์แม้แต่สา น, นวนว่าแม้แต่ไอ ย, ยังมีประโยชน์ต่อสัตว์นะโดยที่สุดแม้พระองค์ไอเนี่ยนะแสดงธรรมไปแล้วก็ไอ แล้วก็มีคนพูดขึ้นมาพระองค์ก็ยังอาศัยการไอนั่นแหละสอนทำนะพระพันพระองค์โดยที่สุดแม้แต่ไอก็ยังไอช่วยเขามากั้นเถะจะกล่าวไปยัยถึงอย่างอื่นพระองค์นี้เป็นผู้ที่ทําทุกอย่างปราศจากโทษเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์อย่างแท้จริงส่วนผู้ที่ละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปละเว้นบาปไม่มีบาปเหลืออยู่ในใจเลยพระพุทธเจ้าจึงไม่มีบาปเหล่านั้นแม้แต่ นิดเดียวฟันงดเว้นจากความชั่วทางกายวาจารหรือความชั่วทางใจอารติวีรติปาปาเนี่ยนะความชั่วสารพัดชนิดพระองค์ได้ละครบถ้วนสมบูรณ์ละได้หมดแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ดื่มน้มําเมาเนี่ยนะฟันพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะถึงผู้ใดจะหามพระองค์ไปด้วยเตียงน้อยๆพระองค์ก็ไม่เลอะเลือนไม่เบลอ นไม่เลอะเทอะอะไรเป็นต้นไม่มีเพราะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเพราะเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยนี่นะไม่ใช่เป็นโดยมากนี้ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยนะไม่ค่อยสัง่งเนี่ยนะไม่ค่อยสั่งเลยนะแอลโกอฮอล์ในเม็ดเลือดซะส่วนใหญ่เนี่ยนะซึมซึมเบนั่นแหละแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มัวเมา อย่าว่าเมาเหล้าเมาสุราเลยแม้แต่บริโภคอาหารก็ยังไม่เมาในอาหารนะไม่ติดใจในรสอาหารทั้งๆ ท, ท, ที่อาหารของพระองค์ที่เสเวยนั้นผสมกับทิพโอชาทั้งหมดพระพุทธเจ้าหยิบขึ้นมาหนึ่งคำในเทวดาหยอดทิพโอชาใส่เลยแนละพระองค์ก็ฉันนะพอพระองค์ปั้นมาเป็นหนึ่งคำปับ๊บเทวดาใสโอชาทิพเข้าไปแล้วก็ฉันทุกคําไปเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็น แรกแตรัสรูนั้นอ่ะอาหารทั้งหมดเนี่ยไปผสมอาหารทิพตหมดเลยและมือสุดท้ายก็เป็นอาหารที่ผสมอาหารทิพตแต่ถ้าโดยปกติือทั่วไปนั้นพระองค์หยิบปั้นขึ้นมาหนึ่งก้อนเทวดาก็ใส่โอชาทิพตเนี่ยนะเหมือนกับเราหยอดอะไรสักอย่างหยอดซีอิ๊วหยอดน้ำปลาหยอดน้ำอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะหรือมีน้ำจิ้มนี่ยนะแต่นี่หมายถึงทิพโอชาเนี่ยนะพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นไม่เมาในพัตตาหารไม่เมาชีวิตเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่ด้วยความเมา เมาในเมาในการหลับเมาในการไม่มีความเมาเลยที่สุดแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นผู้ที่ไม่มีความมัวเมาจะกล่าวไปใหญ่ถึงน้ําเมาที่พระองค์จะดื่มกินไม่มีเนี่ยนะเพราะพระองค์มองเห็นว่าเป็นน้ําที่ชั่วร้ายที่สุดในบรรดาน้ําทั้งหลายเป็นน้ําที่เลวร้ายมากร้ายขนาดไหนก็ขนาดว่าพ่อตายเย้าลูกสะพยได้ก็แล้วกันนะนะเลวร้ายขนาดนั้น เรามบอกว่ า, าพระองค์นั้นอัปปมาโทจะทำเมสุผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทที่แท้จริงพระองค์ใช้เวลาแม้แต่นิดเดียวไม่ให้ศูนย์เปล่า เ, นะเวลาทุกขณะของพระองค์มีประโยชน์หมดและนะชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่ด้วยความประมาทไม่ได้อยู่ด้วยความลุ่มหลงอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น ชนเหล่าใดาผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกนั้นเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนั้นเป็นลักษณะของพระองค์ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทหรือผู้ที่มีค า, า, นะารวะธรรมในีนะควะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะพระพุทธเจ้าเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระองค์เคารพต่อธรรม พระองค์เคารพต่อสงฆ์นะถ้าในยุคเดียวกันพระองค์เคารพต่อพระธรรมพระองค์เคารพต่อสงฆ์พระองค์เคารพสงฆ์ทัแม้แต่การบัญญัติพระวินัยแก่ภิกษุทั้งหลายก็เพราะอะไรเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์นะเพื่อรับอนุมัตินะอนุมัติแห่งสงฆ์คำว่าสงฆ์ในที่นี้คือคู่แห่งพระอริยบุคคลสี่คู่นับเรียงตัวบุคคลได้แปดจำพวกนะไม่ใช่เอา ยิเละเขะที่ไหนมาเข้าสังคสภาแล้วออกสิทธิออกเสียงไม่ใช่หมายถึงว่าหมู่พระเรียเจ้าทั้งหลายเอาหมู่พระเรียเจ้าเป็นประมาณผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐ <gate> well ิเป <Okay. S 2> ็นประมาณอั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีความเคารพเนี่ยนะพระองค์มีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระองค์มีความเคารพในพระธรรมพระองค์มีความเคารพในพระสงฆ์พระองค์เป็นผู้เคารพในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะ พระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีความสัมมาคารวะแล้วบรรณาผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตรงกันข้ามกับเย่อหยิ่งพยองและลำพองพระพุทธเจ้าไม่มีความลำพองว่าเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะวาจาที่พระองค์ตรัสนั้นมีเมตตาเป็นสมุทฐานมีการนาเป็นสมุทฐานเนี่ยนะสมุทฐานตรัสตรัส ด, ด้วยพระเมตตาจริงๆว่า เพราะปกติแล้วพระองค์ก่อนจะสอนธรรมก่อนที่จะกล่าวธรรมแสดงธรรมประกาศธรรมพระองค์จะเจริญเมตตาว่าขอให้เขาเหล่านั้นได้รับประโยชน์และความสุขเขาควรได้รับประโยชน์และความสุขเท่าใดพระองค์จเจริญเมตตากับเขาก่อนแล้วพระองค์จึงสอนธรรมพระองค์จึงกล่าวธรรมจึงประกาศธรรมเพราะพระองค์นั้นมีมีความอ่อนน้อมถม่อมตนไม่ลำพองว่า รู้จักพระพุทธเจ้าน้อยไปอย่างน้นะไม่มีประโยคเหล่าใดที่จำเป็นไปเพื่อ อ, อว้วกยิงพยองลําพองไม่มีเว้นไว้แต่ประกาศาวะาที่เป็นจริงครั้งข่าวว่าถ้าชนเหล่าใดจะตรัสรู้ได้เพราะการกล่าวถึงคุณของพระองค์พระองค์ก็จะกล่าวยกย่องคุณของพระองค์คือพระองค์เนี่ยนะความที่พระองค์ไม่ลำพองตัวไม่เย่อหยิ่งเนี่ยแม้แต่แลบลิ้นให้คนดูพระองค์ก็ทา เขาเขาสงสัยว่าเอ๊ะพระองค์เนี่ยมีมหาปริศลักษณะอันหนึ่งคือลิ้นยาวเนี่ยนะลิ้นพระองค์ยาวจริงไหมผมก็แลบให้ดูเลยแต่เห็นเฉพาะคนที่พระองค์ประสงค์โดยที่สุดเปิดอวัยวะเพศให้เปิดให้ดูนะเปิดให้ดูเพื่อเขาไม่สงสัยไม่ได้ไปเปิดทั่วหมดไม่ใช่นะแต่ทุกคนเห็นหมดไม่ใช่เปิดให้ผู้ที่ประสงค์จะเห็นว่าเออเนี่ยมีมหาปริศลักษณะจริงหรือเปล่าอะไรนะก็เห็นพระองค์ก็เปิดเห็นเช่นเปิดให้เสลพราหม เซรพราหม์พรมายุพราหม์เป็นต้นเนี่ยนะเปิดให้ดูนะแต่ว่าแสดงเงาให้ดูในมิลินทะปัญหากล่าวว่าถ้าเขาจะเห็นก้อนหัวใจของพระองค์แล้วจะบรรลุทำได้พระองค์ก็คงจะผ่าก้อนหัวใจให้เขาดูนะแต่ว่าไม่มีผู้ใดถึงัขนาดเห็นหัวก้อนหัวใจของพระองค์แล้วบรรลุพระองค์เลยไม่ได้ทําเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นไม่มีความล้ำพองว่าเราคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ แบบพยองจนถึงขนาดว่าดูหมิ่นเหยียดย้ําดูแคลนไม่ะนะแม้แต่ผู้ใดที่พอจะตรัสรู้ได้เขาเหล่านั้นอยู่ในกองอุจระพระองค์ก็ไปช่วยเขาอย่างชัมพุกะชีวกเนี่ยนะกินอุจระพระองค์ก็ไปช่วยเขาบางพวกเกลือกน่วดอยู่ด้วยฝุ่นทุลีบางคนนี่อาชีพเทอุจระว่างั้นพระองค์ก็ไปเพื่อสงเคราะห์เขาเพราะพระองค์มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีความเย่อหยิ่งไม่มีความ ลำพองเหมือนอย่างว่าแผ่นดินไม่ยินดียินร้ายในของที่เขาเอาไปสักการะหรือติเตียนฉันใดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นเช่นเช่นนั้นเนี่ยนะถ้าที่ใดพอที่จะช่วยให้เราสัตว์ตรัสรู้ได้ถึงจะอยู่ไกลแสนไกลพระองค์ก็ก็ไปแต่โดยปกตินี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนนะว่า ตระบทผู้มีศรัทธาแล้วเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาแล้วนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วเงี่ยโสดลงฟังโดยปกติพระองค์ดำรงอยู่แบบนั้นแต่มีบางกรณีบางกรณีถ้าพระองค์ไม่ไปเขาจะเสื่อมจากประโยชน์เช่นไปโปรดโจรองค์ุลิมาถ้าพระองค์ไม่ไปเขาจะฆ่าแม่เมื่อฆ่าแม่พระพุทธเจ้าเป็นพันองค์ก็แก้ไขไม่ได้จนะต้องอนันตริยกรรมแท้ที่จะไปเอเวจี หรือแม้กระทั่งปกกุศสาติอีกไม่นานคืนเดียวก็ตายแล้วเนี่ยนะฉนั้นพระองค์ก็ไปก่อนที่เขาจะตายพาหิยะกุลบุตรพระองค์ก็รู้พระองค์ก็รอคอยเขาหรือแม้กระทั่งพระองค์ไปต้อนรับพระกัสปะเนี่ยนะไปต้อนรับพระเจ้ามหากรีนะเป็นต้นพระองค์ไม่มีความเย่อหยิ่งว่าเราคือพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งแบบพยองลําพองด้วยอํานาจมานะเป็นต้นไม่มีเพราะพระองค์นิวาโตพระองค์นี้เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน แล้วในบรรดาผู้ที่สันโดษเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้สันโดษอย่างแท้จริงเพราะถ้าแม้กระทั่งว่าข้าวของเครื่องใช้พระองค์จะใช้แต่เพชรนินจินดาทั้งหมดพระองค์ก็ย่อมทำได้แต่ไม่บาทที่พระองค์ใช้สอยก็เป็นบาดบาทหินหรือบาทดินนะบาทหินนะศิลาเนี่ยนะใช้หินถือว่าหนักมากเลยนะบาทหินเนี่ยไม่ใช่เบาเท่าไรเลยแม้กระทั่งผ้าที่พระองค์นุ่งห่มก็เป็นผ้าที่เก็บมาจากกองซากศพ อาหารที่พระองค์ฉันเช่นบางครั้งเนี่ยฮะฉันรำเรียกว่าอาหารของบางคนเนี่ยก็เรียกว่าก้อนแป้งขนมที่ทําจากรำเนี่ยใครเคยทานอาหารรำปิ้งมั้งถ้าทานแล้วจะจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยู๊ดสาบปากหน้าด้วยนะเคยทานมาแล้วฉั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าก้อนรำนะก้อนรำเนี่ยเอารำมาอัดก้อนนะเขบอกว่าถ้าพูดธรรมดาแล้วพระองค์ฉันแบบนั้นแม้กระทั่งขนมของคนยาก อย่างขนมของอดีตของพระนางมาริกาเทวี TV, ก่อนที่เป็นราชินีก็เป็นขนมของคนยากพระองค์ก็ฉันหรือก้อนแป้งของทาสีที่ชื่อว่าปุนาพระองค์ก็ฉันนั้นอาหารที่พระองค์ฉันนั้นฉันอาหารของทุกขตะเข็นยากยากเข็นอ่างั้นมันพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ที่สันโดษในเรื่องปัจจัยสี่สันโดษในเสนาสนะนั่งอยู่ที่โคนไม้ อยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยนะอยู่ในสถานที่สงบสงัดนั้นพระองค์เป็นผู้ที่มีมีอะไรมีความสันโดษถามว่าในบรรดาผู้ที่มีความกตันยูเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่กตันยูรู้คุณตามเป็นจริงของทุกคนกตันยูเนี่ยรู้คุณของทุกคนว่าทุกคนนั้นเขามีคุณเช่นใดพระองค์ไม่ริษยาในคุณของทุกคน พระองค์อนุโมทนาในคุณของทุกคนถ้าเขาจะมีดีส่วนไหนพระองค์ก็ยกมากล่าวแต่งตั้งเป็นเอตัทะคะเลิกทางนั้นทางนั้นทางนั้นนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีความกระตันยูเนี่ยนะกระตันยูรู้คุณของคนอื่นทั้งหมดนะดัะนั้นคนอื่นเหลา่าใดที่มีคุณต่อพระองค์พระองค์ระลึกได้หมดไม่ลืมเลือน อีกอย่างเราสังเกตดูบางท่านเนี่ยนะบอกพระพุทธเจ้าทนให้ภิกษุเหล่านั้นบวชอยู่ในพุทธสํานักอยู่ได้ทําไมเราก็งงมากเลยนะแต่บางทีแล้วภิกษุเลอะเทอะรูปนั้นอดีตชาติเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์มา อ, อ๋อไม่น่าแล้วพระองเชียงโถให้บวชอยู่ในสํานักได้ทั้งๆ้ที่ชื่อทำอะไรหลายหาอย่างน่าเกลียดมากเลยนะไม่เหมาะเลยที่จะอยู่ในพุทธสํานักแต่บางชาติดกพ่อของเล่า ว, ว่าพระอุทายีเนี่ย เคยเป็นบิดาของพระองค์ในอดีตชาติเป็นพราหมณ์แต่ก็อดีตก็โง่แบบนี้แหละนะอดีตก็โง่คล้ายๆกับปัจจุบันนี่แหละแต่ก็เคยเป็นพ่อเนี่ยนะแล้วก็ไปโปรดอะไรนะนักกุลปิตาเนี่ยนะนั่นก็เป็นอดีตเป็นเคยเป็นลุงเป็นญาติพระองค์เนี่ยระลึกถึงเสมอในคนทั้งหมดของคนเหล่านั้นที่เกื้อกูลต่อพระองค์ในด้านหนึ่ง นะเพราะคนเหล่าใดที่เกื้อกูลต่อพระองค์พระองค์ระลึกได้และก็ช่วยเขาได้อย่างเช่นที่พระองค์ตรัสกับภาษาเรียบพระโมคขลานะว่ายะโสธราพิมพานั้นเป็นผู้มีอุปการะคุณกับพระองค์มากเลยนะแม้กระทั่งอีกในหนึ่งพระองค์เองก็ระลึกถึงคุณของพระองค์ได้ว่าพระองค์มีคุณธรรมเช่นใดอดีตพระองค์บำเพ็ญบารมีเช่นใดประพฤติข้อปฏิบัติเหล่าใดจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นรู้ รู้คุณกรตันยูรู้คุณทั้งของพระองค์เองรู้คุณของสรัรพพสัตทั้งหลายและรู้อุปการะคุณของสัตว์ที่มีต่อพระองค์เนี่ยนะท่านพระองค์จึงแนะนํำภาษาริบุตรว่าเออขอไปถามพระภิกษุสงฆ์ว่าใครระลึกถึงคุณของพราหมณ์คนนี้ได้บ้างพราหมณ์คนนั้นก็คือราทพรามเนี่ยนะเคยใส่บาปให้แก่ภาษาริบุตรหนเดียวท่าผีเดียวแล้วพระองค์ก็ถามว่าใครระลึกถึงคุณของราทพราม์ได้บ้างภาษาริบุตรก็ออกมา เพราะอะไรถ้าพระองค์ไม่ใช่คนกระตัญญูพระองค์จะถามแบบนี้ใช่ไหมพระองค์ไม่ถามหรอกถ้าพระองค์เป็นคนอักกตันญูนั้นนะก็หาทางที่บอกโอ้ยแก่แล้วบวชทําไมเป็นต้นเนี่ยพระองค์จะไม่ไม่เพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีความกระตันยูแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อาศัยความเกี่ยวดองในความเป็นยากทําลายธรรมวินัยนะเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เคารพธรรมอะไรที่เหมาะสมอะไรที่สมควรพระองค์ปรับพืชสิ่งเหล่านั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะพระองค์มีความ กระตันอยู่นั่นเองนะและในบรรดาผู้ที่ฟังธรรมของเราเนี่ยนะบอกว่าชอบฟังธรรมเคยยืนฟังธรรมทั้งคืนไหมพระพุทธเจ้าประทับยืนฟังธรรมทั้งคืนมีพระพิสุ ร, รูปหนึ่งเริ่มแสดงธรรมพระองค์ก็สเสด็จไปพอดีว่ายืนฟังตรงนั้นจนสว่างนะจนสว่างเลยนะยืนฟังธรรมจนสว่างเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เคารพธรรมและมีศรัทธาชอบฟังธรรมพระพุทธเจ้าชอบฟังธรรม มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ให้พระโสนกุติกันนะกล่าวสารพัน ญ, ญาให้ฟังกล่าวทําให้ฟังพระองค์ก็ฟังทำพระองค์ไม่สบายก็ให้พระจุนทะแสดงโพชงให้ฟังนั้นพระองค์ก็เป็นนักฟังธรรมเลยนะหรือบางทีพระองค์บอกว่าก่อนที่สาวกเหล่าใดจะปรินิพานพระองค์ก็ให้สาวกเหล่านั้นแสดงธรรมให้ฟังก่อนแล้วค่อยปรินิพานนั้นคำพีอัปทานทั้งหลายโดยมากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง นะเล่าอ่ะค่ะพระองค์ไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำบุญที่นั่นที่นี่เมื่อ น, นั่นเมื่อ น, นี้ถวายของเช่นนั้นเช่นนี้พระพุทธเจ้ารู้หมดะแต่ทำไมพระองค์ฟังเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีมีศรัทธาที่จะฟังธรรมเนี่ยนะกาเลนะธรรมสวรรค์เพระพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีมงคลเนี่ยนะเพราะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ถ้าพระองค์ไม่ยินดีในการฟังสอบถามสมมณรามเพื่อการฟังพระองค์ก็เป็น พระพุทธเจ้าไม่ได้ น, นะเพราะพระองค์เป็นผู้ที่รักการฟัง